กรรมฐานนี่จริไม่ไม่ยากนะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาน่วงก็ น, นอนหิวก็กินนะแต่น่วงนะนอนขี้เกียจไม่ให้นอนง่วงกับขี้เกียจไม่เหมือนกันหิวกินได้นะตะ ก, กละไม่ให้กินนะคือความต้องการทางร่างกายเนะียร่างกายเราดูแลมันได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสอย่าไปยอมมันค่อยๆฝึกใจของเราให้มันเข้มแข็งจิตใจนนะโดยตัวมันเองนะมันจะไปตามความเคยชินถ้าเราตามใจกิเลสมันจะยิ่งอ่อนแอไปเรื่อยๆพยายามเข้มแข็งไว้อย่างน้อยอย่าให้อ่อนแอถึงขั้นผิดศีลห้ารักษาศีล5้าให้ดีที่สุดเลยเท่าที่ทำได้ มีคนหนึ่งรักษาศีลห้านะบประเภทยอมอดตายนะไม่ยอมไปฆ่าสัตวนะ์ใจแข็งเงั้นภาวนา ง, ง่ายถ้าเราตามใจกิเลสนะเราจะอ่อนแอไปเรื่อยต้องพยายามเข้มแข็งไว้ค่อยๆฝึกตัวเองไปอย่างบางคนนิสัยเจ้าชู้ เจอผู้หญิงที่ไหนนะยกเว้นเมียตัวเองแล้วสวยหมดเลย <c oughs> นี่ใส่เจ้าชูว้วต้องฝึกตัวเองไม่ตามใจกิเลสพยายามฝึกตัวเองใจเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจอะไรที่ดีนะแล้วเราตั้งใจทำจริงๆเลยสู้ตายนะใจจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเป็นบารมีนะ เรื่องอธิฐานนะบารามีอธิฐานนะบารามีสําคัญมากเลยไม่ได้แพ้ปัญญาบารามีไม่ได้แพ้บารามีอยู่หนึ่งนะอย่างบางคนปัญญามากนะตั้งใจจะภาวนาแปบ๊บเดียวก็เปลี่ยนความตั้งใจละนี้ก็ไม่ได้มรรคผลอะไรถึงปัญญามากก็ไม่ได้อะไรขึ้นม า, างี่นเราตั้งใจไ้นะค่อยๆลดละ การทำตามใจกิเลสค่อยๆสังเกตอย่าหักหานมากแต่ค่อยๆทําค่อยๆฝึกตัวเองไปเรื่อยมันจิตใจมันชินที่จะมีศีลค่อยรู้ทันใจไว้รู้ทันกิเลสศีลมันจะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ธรรมดาใจเราชอบไหลไปเลิดเผลนไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเผลน เราก็อย่าปล่อยให้มันเพลินไปเข้มแข็งไว้อย่าไปสนุกสนานกับการที่จิตไหลไปแตจิตไหลไปมันก็สนุกจริงๆนะย่งไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเวลาคิดก็เพลินๆมีความสุขอะไรเงี้ยต้องใจแข็งจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ไม่ถึงขนาดว่าห้ามไหลไหลได้แต่ไหลแล้วรู้ไวๆไหลนาน ค่อยๆฝึกกัเราไปนะบางคนช่างพูดเวลาพูดแล้วสติแตกพูดน้อยลงจะพูดน้อยลงได้ก็ต้องไม่คลุกคลีพระเจ้าจะสอนมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียนมักน้อยหมายถึงว่ามีมากก็เอาน้อยอันนี้สำหรับพระนะ โยมมีมากก็ไม่เป็นไรรวยก็ได้จะสันโดษหมายถึงว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วสุดฝีมือแล้วได้แค่นี้ก็แค่นี้คนรวยบางทีก็ไม่ได้มีความสุขนะ ม, มีความสุขเรากลับไปสู่พระนิพพานยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานนะจะรู้สึกเหมือนกลับบ้านนะ่ะ มันเต็มมันอิ่มมันมีความสุขพ่อแม่เราอยู่ที่นี่เเราเมันลูกหลงทาง้วต้องอดทนนะตอนนี้หลงทางอยู่อดทนไหมพักเพียนกลับบ้านให้ได้พระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์จุดโคมไฟจุดประทีปบอกทิศทางให้เราแล้วหน้าที่เราเดินตามไป ทางสายนี้จะว่ายากก็ยากนะเพราะว่าไม่ยากก็ไม่ยากแรก้คนใจอ่อนไปไม่ได้คนอ่อนแอไปไม่ได้สู้กิเลสไม่ไหวมันเดินทางไกลนะกิเลสมาสร้างโรงแรมหรูหราว้ข้างถนนนะชวนเราพักฟรีอยู่ฟรีกินฟรีมีดนตรีให้ดูมีอะไรนะเล่นอยู่ตรงนั้นเลยไม่กลับบ้านนะต้องใจแข็ง แข็งไหมภากเพียนรน้ออยากเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปดูหนังฟังเพลงได้ไหมอยากได้ไหมยังไงมันก็อยาก่ไม่จำเป็นไม่เอาไม่ไม่ไปเสียเวลาภาวนานดีกว่าแต่ไม่ใช่วันๆก็ปิดบ้านอยู่นะอยู่แต่ในห้องภาวนานลูกเดียวซึมกระทือ ออกมาข้างนอกโอโลกนี้อยู่ไม่ได้แล้วโลกนี้เร่าร้อนนะอย่างนั้นติดความสงบไปอยู่กับมันได้รู้จักมันแต่ไม่ติดมันนะออกมาเห็นโลกเมื่อวานมีคนมาส่งงันบ้านไปเรียนกรรมาฐานมาทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยกระทั่งยิ้มยังไม่ได้เลยนะห้ามหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทําอะไรก็ต้องช้าช้านะซึมไม่มีความสุขเลย ธรรมดาก็ทุกข์อยู่แล้วนะอยากพ้นทุกข์แลไปทําทุกข์ให้มากขึ้นไปอีกเป็นการทรมานตัวเองความใจแข็งไม่ใช่ทรมานตัวเองนะความใจแข็งเป็นทรมานกิเลสไม่ใช่ทรมานตัวเองอยากไปเที่ยวไม่จําเป็นจะไปก็ไม่ไปไม่ได้ทรมานอะไรสบายใจเอาเวลามาพาวนามีความสุขต้องใจแข็งนะกิเลส มันหอมหวานพระเจ้าท่านเนี่ยบอกว่ากิเลสหอมหวานในเบื้องต้นนะเผ็ดร้อนในในเบื้องไลายธัามมะเนี่ยเผ็ดเผ็ดร้อนในเบื้องต้นนะหอมหวานในเบื้องไลายตามใจกิเลสเนะหอมหวา น, นเกินสุดท้ายลำบากจิตใจตกต่ำไปเรื่อยๆสะสมความชั่วเนี่ยสะสมได้เร็วนะเพราะธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำอยู่แล้ว จะทําให้มันค่อยดีขึ้นดีขึ้นโอ้ยทากันนานกว่ามันจะยอมดีให้มันชินกับความชั่วได้เร็วมันไม่ค่อยชินกับความดีนะแต่ถ้าเราอดทนนะทําไปด้วยนะมันจะชินกับความดียกตัวอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กหลวงพ่อชอบภาวนาไปเรียนตั้งแต่เจ็ดขวบให้ยใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยชอบภาวนานะไม่เคยเลิกเลย มันชินที่ภาวนามันไม่ได้ชินที่ผิดเที่ยวซุกสนอะไรกับใครเขาชินความเคยชินนี่ไม่ได้เกิดเองหรอกต้องสะสมมาเพงั้นพวกเราก็ต้องสะสมนะสร้างความเคยชินฝ่ายดีไว้ความเคยชินฝ่ายดีมันสร้างไปกลายเป็นบารมีความเคยชินฝ่ายชั่วกลายเป็นอนุสัยสะสมไปเป็นสันดานที่ไม่ดีสะสม พวกเรามาออกไหมพวกเรามีสันดานที่ไม่ดีอะไรบ้างดูออกไหมแต่ละคนโออย่างนี้ค่อยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะถ้ารู้สึกดีฉันดีเลิศนะไม่มีอะไรเหมือนอะไร่งเงี้ยโอ้ยเมันพอวนาไม่เป็นนะได้ยินแล้วสลดสังเวชถ้ารู้เท่าทันกิเลสอะไรของตัวเองดีมากเลยถ้ารู้ไลยกิเลสมันทําผิดให้เรานําความทุกข์มาให้ใจไม่ค่อยๆไม่เอาแล้วกิเลส ตามใจมาแล้วเป็นทุกข์เห็นอย่างที่พระเจ้าบอกเลยสนุกแป๊บเดียวแล้วความทุกข์ตามมาตั้งนานเลยพวกเราเคยไหมทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาคิดที่หลังนะรู้อย่างนี้ไม่ทําดีกว่าเคยไหมใครเคยทํารู้อย่างนี้ไม่เอาอย่างเนี้ยเสร็จแล้วก็ทําใหม่อีก <laughs> สู้กิเลสไ ม, ไม่ได้ง่ายๆนะ ลู้งี้ไม่เอาแล้วเสร็จแล้วก็เอาอีกนะทำผิดพลาดแล้วก็สรุปบทเรียนนะอย่าทำอีกนะสะสมบา ร, รมีไปภาวนานะอยากได้มรรคผลนะไม่ใช่ว่าวันวันหนึ่งหลับหูบหลับตาภาวนาลูกเดียวนะนไม่ยุ่งกับใครโดยภาวนาของเราอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องบา ร, รมีอื่นๆนะถ้าบา ร, รมีมันถึงพร้อมนะ พอานานิดเดียวมหลุดเลยบารมีทั้งหลายนะมันลดละกิเลสเท่านั้นะ mm. ช่วยลดละกิเลสลดกําลังของกิเลสเพิ่มกําลังของกุศลสะสมไปเรื่อยอย่างอาจารย์กริชเรียนกับหลวงพ่อเจ็ดปีภาวนาถ้าอจาจารย์กฤิชภาวนาลูกเดียวอาจารย์กฤิก็ยังเป็นอาจารย์กฤิอยู่นั่นแหละ mm. นี่ท่านความดีอยู่น่ๆท่านก็ทำของท่านไปเรื่อยนะอย่าง สงเคราะห์คนโน้นคนนี้ใครไปบวชเข้าไปดูแลให้เผยแผ่เผยแผ่เริ่มตั้งแต่อ่านของคนอื่น mm hmm. เดี๋ยวนี้ท่านก็เทศของท่านเองทำได้ <laughs> มันพัฒนานะมันเป็นบา ร, รมีเหมือนกันมั น, มนถ้าดูเป็นนจะรู้สึกคนนี้เริ่มเต็มแนละ้วเต็มเต็มเมขึ้นมา ามันเต็มเปี่ยมเหมือนน้ำเต็มแก้ว น, ะนิดเดียวคลิกนิดเดียวแนะ้วไปแล้วก็พ้นผ่านไปได้ไม่มีบา ร, รมีนะเพราะนาวล้มลุกลุ ก, ล, กลานอยู่งั้นเราสำรวจตัวเองนะความชั่วอะไรยังไม่ละความดีอะไรยังไม่ทำสารวจไนปะแต่อย่าสำรวจบ่อยให้สำรวจแบบสภพพพนะัดน์ะลายตรมาศค่อยดูทิ้งอย่าดูลายวันดูรายวันแล้วจะสับสนมากเลย เช่นวันนี้ยังไม่ได้ทำดีอะไรบ้างยังไม่ทำทานเน่ยถือศีลโอ้โหเยอะอย่างนี้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันเยอะเกินความชั่วล่ะตัวไหนยังอยู่ตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่อยู่อยู่โอ้เยอะเอาไว้ก่อนดูรายไตรมาสนะดูหกเดือนดูปีหนึ่งปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราคนไหนรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นบ้าง มีไหมในหกเดือนนี้มีไหมวัดใจตัวเองมันจะวัดได้นะอย่าวัดแต่วัดว่าพัฒนาหรือเปล่าเลยมันวัดได้ละเอียดถึงขนาดว่ากิเลสนะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะวัดได้ขนาดนั้นเลยนะตอนนี้เหลือกิเลสนิดหน่อยแปดบห้าเปอร์เซนตอเียนะเอาน้อยแล้วนะปราก็ตีมเก้าสิบกว่านะได้แปดบห้าภูมิใจแล้ว ต้องภูมิใจแต่ว่าทําต่ออีกให้กําลังใจตัวเองไปเรื่อยๆโอ้ยวเลวลดลงตั้งเยอะแล้วแบนี้ะค่อยๆชมมันบ้างอย่าไปด่ามันอย่างเดียวนะบางคนภาวนาแล้วก็ด่าจิตไปเรื่อยเลยทำไมมันเลวอย่างนี้ทาไมมันโง่อย่างนี้คนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วเองมันโง่ให้พรมันทุกวันมันโง่จริงๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีความสุขค่อยๆฝึกเรานะสํารวจใจความชั่วอะไรละละซะ ความดีอะไรก็ทำไปเคลดลับของการทำความดีนะไม่ใช่บ้าบุญหลวงปูด่ดนท่านสอนไว้ชัดเจนเลยว่าความดีทั้งหลายนะมีโอกาสก็ทำโอกาสผ่านไปแล้วอยู่เฉยๆก็ได้อยู่เฉยๆสบายดีมีโอกาสก็ทำไม่ต้องหิวบุญบางคนหิวบุญนะตั้งใจไว้ในพรรษาต้องฟังเทศมาละสามวัดหนึ่งโอ้ประสาทกินนะ เมื่อก่อนเขาไปไหว้พระนะทอดกระถินวันนึงเท่านี้วัดะยทอดท่าป่าวันละเก้าวัดอะไรงี้กลับมานาโซมไปอีกเดือนหนึ่งไม่ได้ภาวนาหรอกยินท่านสอนนะว่ามีโอกาสทาความดีก็ทำความดีเยอะแยะไปมีให้ทำเดินไปเจอขยยก็เก็บซะบ้างถึงเราไม่ได้ทิ้งเก็บซะก็เป็นบุญแล้วละ่ะเป็นความดี เจอสัตว์ลำบากสงสารมันเมตตามันบ้างเป็นรังแกสัตว์เวลาเดินดูพื้นบ้างเดินเหยียบหอยทากทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันะเดินเหยียบตัวโน้นตัวนี้ไปเรื่อยๆนี่ค่อยๆฝึกตัวเรานะใจค่อยสํารวมใจระวงังใจมีเมตตามีอนะไรละชั่วไปด้วยจเจริญกุศลไปด้วยให้ฝึกของเราทุกวัน นานไปเราจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงคนสองคนนะเกิดมาด้วยกันโตมาด้วยกันคนหนึ่งพัฒนาเรื่อยๆคนหนึ่งอยู่กับที่อยู่กับที่นี่จะถอยหลังนะไม่อยู่กับที่จริงจิตจะไหลลงต่าพวกเราสังเกตไหมเพื่อนเราสักคนหนึ่งที่สนิทสนะิทฮะที่เขาไม่พาวนาในขณะที่เรามาพาวนาผ่านไปช่วงหนึ่งรู้สึกถึงความต่างไหม หลวงพ่อเนี่ยรู้สึกมากเลยหลวงพ่อไปเจอคนที่เคยรู้จักก่อนๆนะแล้วเขาไม่ได้พาวนานะโอแต่ละคนดูมันจมอยู่ในความทุกข์ความสกปรกนะทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ชั่วหรอกก็มาตรฐานสังคมธรรมดาดูมอมแมมหน้าตาเศร้าหมองเครียดยับย่นเหมือนกวายเหยียบอให้เราดูหน้าเราใสขึ้นทุกวัน สดใสเขาก็มาบอกโอ้ทำไมท่านสดใสจังเรามีศนะีลเราก็สดใสแล้วนอะเรามีสมาธิเราก็สดใสนะเร า, ม, ม, า, รเรามีปัญญาก็สดใสยิ่งถ้ามีวิมุตตนะ์้วสดใสมากเลยใสใส่จากข้างในจากเยื่อในกระดูกใสเอเกามา้านะฝึกของเรานะคนไหนเขาไม่ทำ พอนานๆผ่านไปเขาทำไมเธอดีจังเลยเธอผ่องใสจังเลยก็จจ เ, ยเธอไม่ทําของเธอเธอเขามืดๆอย่างเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมคนที่ไม่ฝึกนะพอแก่ลงยิ่งลําบากนะอารมณ์ร้ายบางทีหงุดหงิดอารมณ์ร้ายไม่มีความสุขมีชีวิตยอยู่แบบไม่มีความสุขอะคนแก่ที่มีความร่าเริงในธรรมะมีน้อยนะ ถ้าไม่ฝึกธรรมะเนะี่ยไม่มีคนที่เจริญสติเจริญปัญญาเนะียยิ่งแก่ยิ่งผ่องใสมีความสุขมากเลยเจอครูบาอาจารย์แต่และองค์โอ้มีความสุขหลวงปู่สุวัตไปน้ำมาพาดท่านไปน้ำมาพาดนะกระทั่งจะกลืนน้ำลายยังทําไม่ได้เลยต้องมีเครื่องดูดอยู่เป็นระยะระยะดูดอยู่เระะื่อยๆนั่งอยู่บนรถเข็น ดูผ่องใสดูสะอาดดูหมดจดมากเลยไปนั่งใกล้ๆท่านท่านก็ปราลรบขึ้นมาสุขแท้นอสุขแท้นอเราก็มองท่านแต่นั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหรอกฮะสุขหรอถ้าเราเป็นอย่างท่านนะั้เราต้องบริกรรมใหม่ทุกแท้นอทุกแท้นอท่านจะสุขแท้นอครูบาอ จ, จารย์นะแต่และองค์อยู่ไปแก่ๆแล้วนะสดใสโดยมีความสุข แถวระยองมีองค์หนึ่งนะก่อนหลวงพ่อเคยไปหาตนะั้งแต่เป็นโยมหลวงปูค่คร่้าหลวงปูค่ครั้มอายุต้งร้อยกว่าปีเดินได้ด้วยนะอายุั้งร้อยปีแข็งแรงมากมีความสุขแก่แล้วนะมีความสุขเจอหลวงปู่เหรียญไม่สบายนอนอยู่บนเตียง พอไปถึงไปกราบนะเขาไขาเตียงให้ตั้งขึ้นมาท่านก็นั่งนั่งเหยียดขาท่านก็บอกท่านภาวนามาตั้งแต่หนุ่มแต่หนุ่มแต่น้อยเลยนะมีความสุขเ้าสู้ตายนะภาวนาต้องสู้ตายเลยนะท่านว่าอย่างนี้นะความสุขอย่างนี้ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหรอกนะเราทําของเราได้แต่ซื้อไม่ได้ต้องทำเอาเองอดทนเข้านะ ที่แรกยากที่แรกยากธรรมะเบื้องต้นมันเผ็ดร้อนกว่าสติจะเกิดกว่าจะมีศีลกว่าจิตจะตั้งมั่นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เบื้องุลายนี่หอมหวานมากเลยไม่ใช่หอมหวานเฉพาะตัวนะหอมหวานนี่แผ่ไพศาลเลยความหอมของธรรมะหอมหอมไม่ต้องพูดถึงเทวดาเทวดาชอบ เยเกตดูครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆเราเข้าใกล้ก็มีความสุขใช่ไหมอยากไปหาอยากเข้าใกล้อยากเป็นเจ้าของไปไปมามาเกิดราคะอาจารย์ของฉันนะอาจารย์ไม่ได้นี่ว่าลูกศิษย์ของฉันเลยนะอาจารย์ไม่นึกเลยนะแต่นี่อาจารย์ของฉันใครอย่าแตะนะหวงเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยู่ใกล้บัณฑิตนะกลายเป็นผ่านไปสติปัญญาไม่พอ อยู่ใกล้บัณฑิตนะให้เป็นบัณฑิตใครอยลดละกิเลสอะของเราฝึกเราแต่ละคนก็รู้อยู่แล้วอะไรดีอะไรชั่วรู้ไหมรู้ทั้งนั้นอะ่ะแต่ว่าตามใจมันแต่ไปนี้อย่าําใจนะเวลามันขี้เกียจทําดีก็ทํามันมันขยันจะทําชั่วก็อย่าไปทํามันอย่าไปตามใจมันนค่อยๆฝึกไป ผ่านไปปีสองปีสามปีเราจะเห็นผลของเราเองเราสดใสเรามีความสุขความทุกข์สั้นลงความทุกข์เบาลงโลกออกไปห่างขึ้นเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกนี้มันเห็นมีอะไรเลยแต่เราอยู่กับมันยังมีความสุขอยู่ด้วยจิตใจที่รู้ทันอยู่ด้วยจิตใจที่อบอุ่นนะมีความสุขมากเลยรู้ว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่พระแทเจ้าอยู่กับเรานี่เอง จิตให้ถึงความบริสุทธิ์เลยจะเจอพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าไม่ได้อยู่เป็นองค์ๆอย่างที่เขาวาดภาพกันไว้วเอวต่อไปใครมีการบ้านเชิญให้พวกอยู่วัดก่อนนะครับนามาสการครับหลวงพอ่อก็จิตก็โปร่งขึ้นครับแต่ว่าเวลานั่งสมาธิก็ยังทื่อๆอยู่แต่ อ, อาศัยพอ ร, ร, รู้ตัวว่าทื่อแล้วก็ สู่ลมหายใจแรงๆถูกแล้วทำไปการนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อวานนี้ตอนเดินจงกรมก็เห็นความคิดของตัองผุดขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะถูกแล้วมันผุดอย่างนั้นมาแต่เกิดแลวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลางมากขึ้นก็คือพอเห็นปุ๊บมันดับแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกตลอดก็เห็นไหมมันเกิดเองดูไปเรยมันเป็นเองเห็นนตตาไห มันเป็นเองดูเร่ๆไปทำอีกอยู่ที่ไหนก็ดูกายดูใจไปนืมัตรการครับคุณพ่ อ, อวานก็ <c oughs> นั่งนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธอยู่ก็มีเห็นจิตอีกตัวหนึง่งมันไหลไปคิดเรือ่องอื่นนะครับนั่นต้องฝืออย่างนั้นนะฝืกให้ามากาเห็นได้มันก็ไหลไปไหลายช็อตแล้วครับไม่ไม่ห้ามนะ ให้มันไหลเรารู้ไหลเรารู้ไปเลยทดูดูไม่ค่อยทันนะครับต้องไม่ทันต้องไหลไปก่อนแล้วรู้ว่าไหลเข้าถึงเรียกว่าอนุปัสนาอนุปัสนาว่าตามเห็นมันไปแล้วก็ตามเห็นว่ามันไหลไปนี่จะไปพัฒนาต่อยังไงครับทำอย่างนี้แหละให้มันไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้อย่าไปบังคับมันนะแล้วก็ไม่ต้องทันมันแต่ว่าอย่าไหลนานแล้วค่อยรู้ไหลไปแล้วรู้ไวๆ พอจับได้ว่าเห็นก็มันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเราต้องการให้เห็นเกิดดับแค่นั้นแหละไปทำเอาขอบคุณครับครับนำมัสการเช่าค่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาหรือสงสัยอะไรเพียงแต่ว่าไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีเสร็จแล้วก็พอจะเห็นขันแยกไหมเห็นแล้ว่ะขันมันแตกได้แปลกไหมบางคนนะมาบอกเลยโอ้ฟังซีดีหลวงพ่อนะนึกว่าพูดเล่นๆนะ พอภาวนาไปโอดจริงทุกอย่างเลยขันมันแยกได้แล้วขันมันทำงานของมันไปแต่ใจยังเข้าไปแทรกแซงขันอยู่ให้รู้ตัวนี้ไหมครับนรวศการครับหลวงพอ่ อ, อผมรู้สึกว่าจิตผมมันซึมๆครับผมไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมามันถูกหรือเปล่าถูกที่ภาวนามาถูกนะแต่จิตซึมแล้วรู้ว่าซึมไป ให้เราคอยรู้ทันจิตของเราไว้เช่นจิตสงสัยหรือว่าสงสัยนะจิตสุขรู้ว่าสุขจิตเฉยเฉยรือว่าเฉยๆดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปอย่าไปดูเฉยเฉยอยู่อย่าไปนิ่งนิ่งอยู่พ่อครับผมคิดนำมากไปหรือเปล่าครับเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าคิดนำไปครับเออรู้ทันแล้วก็อย่าไปคิดนำสิคิดนำเขาเป็นอุบายเบื้องต้นกระตุ้นให้มันเจริญปัญญาแล้วนะ แต่ถ้ามันเห็นสภาวะธรรมได้สภาวะเกิดดับได้ไม่ต้องคิดแล้วดูของจริงเอาเช่นดูใจที่อยากพูดนะมันอยากพูดมันก็ดันขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยใจสงสัยก็พุ่งขึ้นมากลางหน้าอกเนี้ยใครรู้แต่อย่าไปจ้องอยู่ที่กลางหน้าอกให้ความรู้สึกผุดมาแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปเฝ้าดูห้ามเฝ้าดูนะกรรมฐ า, านให้ตามดูคําว่าอนุปัสสนาอนุแปลว่าตามอนุตาม อนุภรรยาไม่ใช่ภรรยาตัวเล็กนะปกติวาดรูปเมียหลวงจะวาดอ้วนๆใช่ไหมเลยเรียกอนุภรรยาหมายถึงเมียตัวเล็กไม่ใช่อนุภรรยาหมายถึงว่าภรรยาที่ตามมาทีหลังอนุชาที่เป็นน้องชายนะผู้เกิดมาภายหลังตามมาทีหลังงั้นอนุปัสสนานะตามเห็นไปทําดีแล้วทําถูกแล้วครัขบขอบคุณครับหลวงพ่อ นมำสการหลวงพ่อค่ะในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาค่ะก็เห็นกิเลสตัวเองที่เยอะขึ้นก็คือตัวมานะแล้วก็ตัวของความเสแสร้งพอไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆจะชอบแบบว่าเวลาทําดีก็อยากให้คนเนี่ยเห็นอค่ะแล้วก็คิดเก่งมากค่ะคิดทุกวันคิดทั้งคืนคิดตนี่เป็นส่วนคิดนะคําว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันเลยคิดอีกคือมันไม่ยอมเลิกเลยให้คอยรู้ทันว่าใจมันฟุ้งซ่านค่ะ ทำความสงบเป็นคราวๆอยู่กับพุทธโธบ้างลมหายใจบ้างให้จิตใจได้มีความสุขความสงบบ้างแล้วมาดูต่อมันจะไปได้เร็วถ้าจเจริญปัญญารวดไปแล้วจิตจะฟุ้งใหญ่เลยดูยากเหมือนปฏิบัติอยู่แต่จริงๆไม่กำลังไม่พอค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมก็ไม่ได้ส่งกันบ้านนานตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะ <laughs> แล้วก็ คืออยากจะเรียนถามคือในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็พยายามภาวนาแล้วก็เห็นลักษณะแปลกๆที่ที่เหมือนไม่เคยเห็นไงค่ะเช่นเห็นลักษณะของว่าความม่วงมันเป็นยังไงเบลอ ER ๆ ER, วนๆไม่มีต้นไม่มีปลายหรือว่าเห็นเห็นว่าความแก่มันเป็นยังไงเห็น อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เหมือนเห็นแค่ลักษณะของมัน แต่มันไม่ได้ขึ้นว่ามันเกิดดับแล้วก็พอพยายามจะข้ามไปเนี่ยมันคือที่แรกก็ต้องเห็นเป็นตัวๆก่อนนะเรารู้ว่าความโกรธหน้าตาอย่างนี้ความง่วงหน้าตาอย่างนี้เห็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละอย่างอันนี้ภาษาแขกเรียกวิเศษลักษณะลักษณะเฉพา ะ, ะแต่เรายังไม่เห็นสามัญลักษณะลักษณะร่วมของทุกตัวที่เป็นไตรลักษณะ นี่จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้ใจต้องถอยออกมาเป็นแค่คนดูนะถา้าเราเห็นเช่นเราเห็นความง่วงแล้วจิตเราไหลไปอยู่กับความง่วงนะไปจ้องอยู่ที่ความง่วงเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตถอยออกมาจะเห็นว่าความง่วงก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่ส่วนหนึ่งเนี้ยความง่วงจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูหรือเวลามีความกโกรธเกิดขึ้นจิตเราไหลเข้าไปอยู่ในความโกรธนะเราไปจ้องมันอะไปจ้องดูซิความโกรธหน้าตาอ ย, ย่างไง อันนี้จิตเราถลําลงไปไปดนะูถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นว่าความโกรธก็อยู่ส่วนความโกรธจิตก็อยู่ส่วนจิตค่อยๆแยกไปเรนะือยอ่าให้จิตมันเข้าไปคลุกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตมันเป็นแค่คนดูไว้ถ้าจิตมันเป็นคนดูได้เนี่ยมันจะแสดงใจรักษขึ้นมาง่ายแ ต, แต่เหมือนตอนที่เห็นความง่วงไงคะคือจริงๆตอนนั้นเดินจงกรมละง่วงมากอแล้วก็พยายามจะเหมือนเอาชนะมันแล้วอพอเห็นปุ๊บ มันก็หายงวงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นว่าเกิดดับอะไรเงี้ยค่ะเกิดดับเนี่ยมันไม่บอกหรอกเพราะว่ามันเกิดดับนะมันแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งที่เคยมีนะั้นมันหายไปแล้วเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแล้วจิตมันสรุปเองมันไม่เป็นภาษาคนหรอกนะงั้นเราไม่ต้องไปบรรยายง่วงตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่อ๋อดับไปแล้วไม่ต้องบรรยายนะมันแสดงใจรักอยู่แล้วละถ้าจิตของเราเป็นแค่คนดูนะ แต่ถ้าจิตเราไหลเข้าไปคลุกอยูก็ไม่แสดงใจรักให้ดูล่ะรู้จักจิตที่ไหลแล้วใช่ไหมว่าจิตจตั้งมั่นเป็นแล้วล่ะเจมื่อจิตตั้งมั่นอย่างเนี้ยนะธาตุขันเขาก็แสดงใจรักอยู่แล้วแต่เขาไม่พูดคําว่าไตรลักให้ฟังเท่านั้นเองมันตกใจภาษาพูดไม่สําคัญหรอกดูบ่อยๆไปจนจิตมันเข้าใจความจริงนะก็ปล่อยของมันเองถ้างั้นที่ทําอยู่นี้ก็ทําต่อไปใช่ไจ๊ะค่ะต่อไปนะแต่คอยรู้ทันกิเลสนะ กิเลของแต่ละคนนะซับซ้อนลึกซึ้งนะเรายิ่งรู้ทันได้มากเท่าไหร่มันครอบงำได้น้อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งไปได้เร็วเท่านั้นใครรู้ทันไปกลับค่ะธสการเจ้าค่ะที่ยกไว้หมดแล้ต่อไปนี้หลวงพ่อจะถามเอง <c oughs> ดูสิหันดวงตาหน่ากลัว <c oughs> <c oughs> หันได้ทางไหนก็ตัวแข็งหมดเอา <c oughs> เจส่งกันบ้านหน่อย อันนี้เริ่มเครียดทั้งห้องแล้วโดยภาพรวมดีขึ้นครับมันก็ออกนอกเหมือนเดิมแต่มันเข้าทานบ่อยขึ้นนะโอ้ใช่ได้ดแีแล้วก็มีครั้งหนึ่งฟังหลวงพ่อเทศทีท่ศาลาลงชินนะครับแล้วก็ดูเหมือนเครียดฟุงส่านอยากดีแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่ชัดแล้วก็เขาไปเห็นเขาไปลึก ขึ้นนิดนึงเห็นว่าจิตสว่างออกนอกอยู่ออพอเห็นตรงนี้เหมือนเห็นจิตที่สว่างแล้วก็เห็นมีครอบที่สกปกใช่ใช่อย่างนี้คับแล้วก็เห็นว่าพอเริ่มคิดก็เห็นว่าเออนี่แหละสกปกนี่แหละคือความคิดแล้วก็ความรู้สึกทั้งหมดที่รู้สึกว่าเนเดซิอยู่แต่เราไม่ห้ามมันนะต้องรู้อย่างเป็นกลางไม่ต้องไปหาทางละมัน แค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องละนะให้รู้ใช้ได้ดีสมกับอุตส่าห์จากบ้านจากเมืองมาเรียนตั้งนานแล้วนะ <c oughs> เนอะกลับบ้านไป <c oughs>